Book 2 1สิบเอ็ดเดือน e มษายนมกราคมกุมภาพักุมภาพันธ์ มีนาคมมาร์เรซเมษายนเมษายนพฤษภาคมมายมิถุนายนยูนมีอยู่หกเดือน มักกลาคมกุมพาพันธ์มีนาคมรแมิถายนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนเมษายนไมายูนกรกฎาคม ยูลสิงหาคมออคติสตกันยายนเซปเตมเบอร์ตุลาคมออคโตเบอร์พฤศจิกายนโนเวมเบอร์ธันวาคม ember และยังมีอีกหกเดือนด้วยชสซกรรกาดาคมสิงหาคมกันยายนยูลอตอร์ตุลาคมพฤศจิกายน และธันวาคม a December.